สื่อเรื่องพุทธธรรมจะ บ, บปรับขยายโดยพระพรมกุณาพรปออปยุตโตภาค 3. อารยธรรมวิถีตอน 6. ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร ที่20บทความประกอบที่3เรื่องเหนื้อสามัญวิสัยปาฏิหารและเทวดาเรื่องที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงในบทตอนที่ผ่านมาซึ่งควรชี้แจงเพิ่มเติมยังมีอีกหลายเรื่องในที่นี้เห็นควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องริบ ปาฏิหารและเรื่องเทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆซึ่งรวมอยู่ในหัวข้อใหญ่เดียวกันคือเรื่องเหนือสามัญวิสัยความจริงเรื่องเหนือสามัญวิสัยมีขอบเขตกว้างขวา ง, วางครอบคลุมถึงเรื่องอื่นจากสองอย่างนั้นด้วยแต่ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสองเรื่องนั้นโดยฐานเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่กาลังพิจารณาถ้าถามว่า ในทัศนะของพระพุทธศาสนาอิทธิปาฏิหารก็ดีเทวดาหรือเทพเจ้าต่างๆก็ดีมีจริงหรือไม่และถ้าตอบตามหลักฐานในคำพีมีพระตายปิดอกเป็นต้นโดยถือตามตัวอักษรก็ต้องว่ามีหลักฐานที่จะยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคำพีจนไม่จาเป็นจะต้องยกมาอ้างอิงอย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับความมีหรือไม่มีและจริงหรือไม่จริงของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยากที่จะทำให้คนทั้งหลายตกลงยอมรับคำตอบเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้และหลายท่านมองเห็นโทษของความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้ว่าทาให้เกิดผลเสียหายมากมายหลายประการจึงได้มีปราดบางท่านพยายามแปลความหมายของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นในยะที่ลึกซึ้งลงไปอย่างน่าสนใจสาหรับในที่นี้ จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการตีความหรือแปลความหมายใดๆเลยเพราะเห็นว่าไม่มีความจําเป็นแม้จะถือตรงตามตัวอักษรว่าสิ่งเหล่านี้มีและเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธศาสนาก็มีหลักการที่ได้วางไว้แล้วอย่างเพียงพอที่จะปิดกั้นผลเสียซึ่งจะพึงเกิดขึ้นทั้งจากการติดข้องอยู่กับการหาคําตอบว่ามีหรือไม่จริงหรือไม่จริงและทั้งจากความเชื่อถืองมงายในสิ่งเหล่านั้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์จำนวนมากมายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันมีความเชื่อถือหรือไม่ก็หวั่นเกรงต่ออำนาจผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพระพุทธศาสนากล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงโดยประกาศอิสราภาพให้แก่มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆไว้ที่จะทาให้มนุษย์ ได้รับแต่ผลดีในการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือสามัญวิสัยอย่างน้อยก็ให้มีผลเสียน้อยกว่าการที่จะมัวไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือไม่จุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการที่พระพุทธศาสนาวางไว้และได้นำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่สรุปความเบื้องต้นในตอนนี้ว่าพระพุทธศาสนาไม่สนใจกับคาถามว่า อิทธิปฏิหารมีจริงหรือไม่เทวดามีจริงหรือไม่และไม่วุ่นวายไม่ยอมเสียเวลากับการพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่พระพุทธศาสนาสนใจก็คือมนุษย์ควรมีท่าทีและควรปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับพระพุทธศาสนาปัญหาว่าผีสางเทวดาอานาจลึกลับอิทธิฤทธิปาฏิหารมีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น